นี่คือช่วงการคุยธรรมะที่เราจะมาพบ แล้วสิ่งนั้นที่เราพบเจอพบเจอตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องทดสอบความที่เรา เอาแค่เรื่องง่ายๆสิ่งที่เราพบเจอเช่นว่าคุณจะไปซื้อ นะไอ้ปัญหายิ่งใหญ่ในชีวิตๆวันมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าถ้าเราเจอสิ่งเหล่านี้นะแล้วเอ่อเช่นคิด นะมีการตัดสนองทางใจที่ไม่ดีนะรึดาเข้าเช่นหลงไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นโอ้กินๆ ธรรมะคุณลดลงไปจิตคุณจะมีความทุกข์ทันทีนะเราจะอยู่ในห้วงของความทุกข์นะหรือบางคนอาจารย์นึกถึงที่เค้าทํา นะมีคนหนึ่งที่จะมาตามรู้ความชั่วของตัว น้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่โตระดับที่เรารับไม่ได้ดังเช่น นะรถติดก็ตามมอไซค์บาดหน้าพวกนี้จะเป็นตัวทดสอบ คุณเดินทํามรรคตรงนั้นปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นจิตคุณจะสูงขึ้นโอ้ฉันเดินตามธรรมะได้ฉันอยู่ในครั้ง 2 เราก็ทําได้แล้ว ที่ไม่ดีๆน้อยๆหรือเรื่องที่ใหญ่ๆโตขึ้นมาก็ลักษณะเดียวกันและเป็นวิธีการทดสอบณธรรมะที่จะอยู่ในจิตของ เป็นมิจฉาสังคบะแท้ละณความร้อนนั้นคุณเห็นได้ชัดเจนทันทีชัดเจนนะว่า เดิมเป็นคือว่าถ้าเราทําไม่ถูกทําไม่ได้เนี่ยมันก็จะเผารนมันก็ อาสวะเนี่ยคือเครื่องดองสรรดานเครื่องหนองเนืองนะมันจะจะอบรมให้เราเป็นแพทเทิร์นเป็นนิสัยในจิตของเราแล้วคุณก็จะเกิดสร้างสมเป็นนิสัยขึ้นแล้วคุณคิดว่าจะตั้งใจทําอะไรสัก มันก็มันก็จะมีแต่แย่ลงแต่มันเราจึงต้องทวนกระแสนะถ้าไม่ไงเราถึงจะทวนกระแสได้ชื่อภาษานี่แหละนะจะทุกๆวันนี่แหละไม่ต้องอะไรเอา ทีนี้บางอีกแค่นาที 10 นาทีจะเป็นความสบายนึงแต่มันร้อนใจนานจิตเราจะถูกกลุ่มรุมด้วยไอ้ความที่ๆนราตรรึงกลุ่มๆแต่เรา แต่タミンายให้จิตของเราเป็นอย่างงี้ให้จิตของเราสบายอย่างงี้นะก็ด้วยการที่ นะคุณมีสมาธินะคุณพยายามที่จะทําใจเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งให้มีกําลังนะทีนี้บางทีมันก็ได้บ้างบางทีมันก็ไม่ได้ดีใจๆทํา มีกำลังมากขึ้นเอ่อความสว่างสวยจะปรากฏขึ้นในชีวิตความสว่างสวยที่จะปรากฏขึ้นใน มันสว่างสวยเนื่องจากการที่เราค่อยๆมีธรรมะเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าเหตุการณ์นี้เราควรจะทํายังไงในเหตุการณ์ที่มาโอ้ยไปโอ้ยหมอดู แหมหมอดูก็รู้ธุรกิจเท่าดีเท่าคุณหรือเปล่านะ มันถูกปกคลุมด้วยเครือข่ายของตัณหาอวิชชามันบางหยุมก็มืดอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกจิตของเราให้มีธรรมะ นายแม้ให้มันไหลไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ความแจ่มแจ้งตัวนี้จะชั่วโมง 20 นั่นแหละชั่วโมงที่ 5,000 เค้า ทำซ้ําทําซ้ํานะชั่วโมงบินมันเพิ่มชั่วโมงบินความมันเพิ่มความช่ําชองเช่นเดียวกันธรรมะนี่แหละเราทําซ้ําๆย้ําๆมีความมั่นใจมีความมั่นคง เนมิอะไรมากระทบปุ๊บใหญ่เหมือนหวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นนะเราอดไว้เลยท่านผู้ พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับราชทูตราชทูตคู่หนึ่งนําเอกสารเค้าเรียกว่าข่าวสารที่สําคัญนํามาบอกเจ้าเมืองเนี่ยเจ้าเมืองนี้ นะราชทูตเขาจะนําข่าวสุขดีข่าวศาลมาให้นะข่าวศาล เราต้องมีสติอยู่เรื่อยๆเราคอยคัดกรองศัตรูไม่ให้เข้านะเข้า ชีวิตนี้ของเราต่อให้ล่มไม่ดีคุณหนึ่งก็จะชั่วเป็นนะฉันจะต้องทรงไว้ในธรรมไม่ได้นะจะดีขึ้น ในวันนี้ข้าพเจ้ารับไพบูลย์นะพี่ปุณโญจากวัด